หัวข้อเสริมดวงแก้กรรมด้วยตนเองกรรมเป็นเรื่องอจินไตยคือเรื่องที่ปุถุชนเข้าใจถูกต้องทองแท้ได้ยากผู้จะเข้าใจได้ลึกซึ้งคือพระพุทธเจ้าหรือระดับพระอรหันต์ผู้ทรงฌานเท่านั้นดังนั้นปุถุชนแม้เป็นนักบวชที่อ้างเป็นหมอดูร่างทรงเห็นกรรม ฝาพิจารณาไว้ด้วยนะครับว่าเชื่อได้จริงหรือเปล่าเขาเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือยังรู้จักการเจริญสติที่ถูกหรือไม่การบิดเบือนหลักธรรมโทษร้ายแรงเท่าทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายคนบิดเบือนหลอกลวง ท, งทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมานานส่งผลเบื้องต้นที่หน้าตาเริ่มดูเพี้ยนมองคล้ำตาลอยตาหลุกหลิกบางคนใบหน้าบวมบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปร่าง บางคนถึงขั้นบิดใจให้เพเจร์แต่งตัวประหลาดแนวคิดเริ่มขาดเหตุขาดผลหนักขึ้นเรื่อยๆมักถูกดึงให้ห่างศาสนาพุทธด้วยมอบกายถวายชีวิตไปบูชาผีบูชาเทพเจ้าแทนการไหว้เทวดาไม่ผิดนะครับแต่ต้องไหว้แบบเด็กเคารพผู้ใหญ่เคารพในความดีที่เขาเคยทำจนได้มาเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ไหวยเพื่อหวังยึดเป็นที่พึ่งสาหรับผมเทพที่ผมจะไหว้ด้วยความเคารพ ก็คือเทพที่มีกล่าวในพระไตรปิฎกเท่านั้นเช่นพระอินทร์พระพรมส่วนเทพซึ่งเป็นของศาสนาอื่นความเชื่อโดยส่วนตัวของผมก็คือเป็นสมมุติเทพเป็นเทพที่เขาสมมุติเอาคุณธรรมแต่ละด้านขึ้นมาตั้งชื่อตั้งเรื่องราวขึ้นมาให้คนกราบไหว้นับถือซึ่งใครจะนับถือต่อไปก็แล้วแต่ศรัทธา น, นะครับ บูชาสิ่งใดจะได้พลังสิ่งนั้นเข้าตัวบูชาผีก็มีพลังแบบผีวิญญาณที่ยังมีกิเลสอาจช่วยให้รวยได้ในบางคนแต่มากรวยแบบหลงโลกรวยแบบมีทุกข์ตามมาไม่สามารถพึ่งพาตนเองและปฏิบัติธรรมข้ามพ้นทุกข์ได้ยากและอาจต้องตกเป็นทาาบริวารในภพบเบื้องหน้าตรงข้ามกับการบูชาแน่วแน่ในการยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่จะได้พลังพุทธะเข้าตัวเป็นมงคลสูงสุด เป็นพลังแห่งมหาปัญญาจะรวยแบบมีสติไม่หลงโลกมีสุขได้ยั่งยืนกว่าแต่อาจรอผลนานหน่อยเหมือนไม้ยืนต้นที่ให้ผลต่างกับพืชไร้ราคาถูกเราไม่ได้นับถือศาสนาเพื่อให้รวยแต่ความรวยเป็นผลพลอยได้เหมือนปลูกต้นมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงไม่มีทางโตเป็นทุเรียนอย่าสับสนเอาหลักของพระที่ควรสละทุกอย่างทางโลกมาใช้กับคนธรรมดาคาระวะศธรรม คือหลักเพื่อมีชีวิตอย่างคารวะได้อย่างสุขสมบูรณ์พร้อมเรื่องอจินไตเป็นเรื่องไม่ควรเอามาคิดแต่หมายถึงในแง่พยายามวิเคราะห์เจาะลึกขณะสติปัญญาไม่พร้อมไม่ได้หมายถึงห้ามศึกษาเรียนรู้การศึกษาเรื่องกรรมมีประโยชน์มากแต่ต้องศึกษาให้ถูกต้องในระดับพอดีเช่นให้เกิดศรัทธานในกรรมว่าส่งผลในอนาคตได้จริง คล้ายเจอต้นมะม่วงคนรู้พอเข้าใจภาพรวมว่าเป็นต้นที่ออกผลกินได้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทั้งต้นมีกี่ใบแต่ละใบมีกี่เซลล์พระพุทธองค์รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งแต่หลายเรื่องจะไม่ยืนยันว่าต้องเกิดสิ่งนั้นแน่แต่ตรัสประมาณว่าหากทำสิ่งนี้จะได้ผลแบบนี้เช่นหากยังมีคนปฏิบัติทำถูกต้องศา ส, สนาจะอยู่เกิน 5,000 ันปี ไม่ได้ฟันธงว่าศาสนาจะอยู่ได้แค่ 5,000 ปีแสดงให้เห็นว่ากรรมปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่เปลี่ยนดวงชะตาและเส้นทางชีวิตได้จริงการทำบาปแต่ละด้านส่งผลต่างกันทำบุญแต่ละอย่างมีอนิสงส์ต่างกันบุญบาปไม่เคยหายไปไหนเราทำบุญล้างบาปไม่ได้ก็จริงแต่ใช้บุญด้วยใจที่สำนึกผิด ่วงดุลอำนาจผลกรรมจากบาปได้แต่ต้องทำมากพอและถูกด้านด้วยตัวอย่างเปรียบเทียบแบบง่ายเช่นเราขโมยของเขาไปก็ต้องแก้กรรมให้ถูกวิธีโดยเอามาคืนหรือซื้อของดีกว่าหลายเท่ามาชดเชยต้องขอโทษสำนึกผิดต่อเจ้าทรัพย์ทำดีไถ่โทษจนกว่าเขาจะอาภัยหรือได้รับโทษสมความผิดที่ทาไม่ใช่ขโมยของเขาไปแต่พอสำนึกผิดก็ดันเอาเงินไปซื้อปลาปล่อย ทำหนังสือธรรมะแจกแม้เป็นความดีแต่มันไม่ตรงด้านความผิดท Co ี er ่เคยทำนะครับเผยพระธรรมะส่งให้เกิดปัญญาแต่โอกาสถูกไฟไหม้บ้านถูกขโมยของยังมีเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมจากผลกรรมที่เคยขโมยหรือโกงคนอื่นบางคนคิดว่าตนได้ทำความดีเป็นประจำแต่ชีวิตบัดซบเจออุปสรรค ส่วนใหญ่เพราะทำดีไม่มากพอและไม่ถูกด้านกับบาปที่เคยทำไว้นั่นเองอาจมียกเว้นบ้าง น, นะครับสำหรับผู้บรรพ็นบารมีที่ต้องเจออุปสรรคปัญหามากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าการตรวจดวงแก้กรรมเสริมดวงให้ตนด้วยการทำบุญเฉพาะด้านให้ตรงกับความทุกข์ที่เจอมีคร่าวๆดังนี้นะครับ หากร่างกายพิการอ่อนแอป่วยเป็นโรคแพ้ง่ายมาเกิดจากการผิดศีลข้อหนึ่งในอดีตควรแก้หรือเสริมดวงให้ตนเองด้วยการตั้งจิตไม่คิดทำร้ายคนและสัตว์เด็ดขาดตลอดชีวิตมันทำบุญให้ชีวิตเป็นทานปล่อยโคปล่อยปลาในตลาดที่รอการฆ่าไปทำอาหารสำหรับปลานกเต่าในวัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางถูกฆ่าเป็นแค่สัตว์ที่ถูกจับมาขังรอซื้อไปปล่อยและไปจับมาขังใหม่ บริจาคเลือดให้สภากาชาติบริจาคอวัยวะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ร่วมบุญในการสร้างโรงพยาบาลช่วยชีวิตคนและสัตว์ให้พ้นอันตรายหรือเลิกคิดฆ่าตัวตายตักบาตถวายอาหารถวายยารักษาโรคแก่พระการให้อาหารให้ยานี่ไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะพระนะครับแต่ยังหมายถึงทํากับพ่อแม่ลูกหลานหมาแมวและบุคคลทั่วไปด้วยคือยิ่งทําให้มาก ยิ่งเป็นบุญต่อเรามากยิ่งบรรเทากรรมได้มากและอย่าเจาะจงเลือกเจออะไรที่เขาลำบากก็ช่วยเหลือทันทีนั่นแหละครับกรรมดีที่จะมาล้างกรรมชั่วของเราในอดีตได้จริงข้าวหนึ่งมือ้อต่อชีวิตได้อีกหนึ่งวันซื้อขนมซื้อน้ำให้ขอทานเด็กดีกว่าการให้เงินทำบุญด้านนี้อย่าเลือกบุคคลสถานที่ให้ช่วยทันทีที่มีโอกาส แต่ก็มียกเว้นนะครับสำหรับวัดที่ไม่ดีพระที่ไม่ดีไม่ควรสนับสนุนอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับเพราะหลักศาสนาพุทธไม่มีประหลัดขิกไม่มีเท พ, พเจ้านอกศาสนาถ้าวัดไหนมีประหลัดขิกมีเทพนอกศาสนาถือว่าไม่ใช่วัดพุทธไม่ควรไปไหว้ไม่ควรทําบุญด้วยเด็ดขาดเพราะศาสนาพุทธนับถือแค่พระรัตนตรัยเท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีพระอริยาสาวกจำนวนมากให้ปั้นมาบูชากลับไม่ปั้นกลับไปปั้นเทพเจ้าต่างศาสนากลับไปเอาอวัยวะเพศมาปั้นให้บูชาผมถามว่านี่มันพุทธหรืออะไรนี่มันนักนบวชหรือเดียร์ถีก็ฝากให้คิดกันดูให้ดีนะครับ <appelle? S 1> การสาสเข้าวสารเสร็จอาหารในพงหญ้าให้นกหนูให้มดได้กินขันน้สาสะอาดวางหน้าบ้านให้แมวหมานกได้ประทังชีวิต แทนการกินน้ําคลาข้างถนนทำด้วยจิตเมตตาอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้บุญจิตโลภในบุญส่งให้กำลังบุญถูกลดทอนการทำบุญที่ดีต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแค่ครั้งสองครั้งหรือนานนานทีตั้งจิตทำให้ได้อย่างน้อยทุกเดือนทุกสัปดาห์หรือทุกวันยิ่งดี สำหรับกรณีทำแท้งนะครับซึ่งเป็นบาปใหญ่ดึงความสวยติดตัวหลายภพชาติและเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งซึ่งร้ายแรงมากเพราะไม่ใช่ฆ่าใครแต่ฆ่าลูกตัวเองแท้ๆซึ่งการบรรเทากรรมจะมีวิธีทำบุญบรรเทากรรมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีกขอยกไว้ตอนต่อไปนะครับคนที่ค้านว่าแก้กรรมไม่ได้ให้ลองนึกถึงความจริงนะครับว่าถ้ามีคนทำผิดและส น, นึกผิด กราบขอขอมากับคนไม่ทําอะไรเลยคุณจะโกรธและอยากทําร้ายใครคืนรุนแรงกว่ากันองค์ุลีมานฆ่าคนเกือบพันยังเป็นอโหสิกรรมผล น, นรกเป็นอารหันได้เลยนะครับอย่าลืมว่ากรรมปัจจุบันสําคัญที่สุดเรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่ทําบุญตรงด้านแต่การเลือกกินอาหารมีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้พอการมีวินัยห้ามใจงวดสิ่งเป็นโทษ เช่นหนังไก่หนังหมูถือเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการขัดเกลาจิตใจต่อสู้กับกิเลสในระดับต้นที่ปล่อยไว้จะกลายเป็นสันดานเสียได้ในภายหน้า